อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ430 1. ภิกษุยังไม่ถูกสวดสมโภาพสองภิกษุผู้ยอมสละ 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุต้นบัญญัตทุบพดศิกขาบทที่12จบ